วันนี้จะแสดงเช้นเรื่องอาโยตนะพัฏฐะเพราะว่าอาโยชนะและพัฏฐานี่น่ะเราต้องใช้ไปจำทุกคนมีอยู่และเราต้องใช้ยอยู่ไปจำ ท, ท, ทั้งที่เราไม่ต้องการจะใช้แต่มันก็จําเป็นต้องใช้พูดถึงเรื่องอาโยชนะ กายจตนาเป็นชื่อทวานทั้งหกที่มีในตัวของเราเป็นชื่อมันชื่ออะไรเทวานทั้งหกตาหัจมูกเล่นกายใจมีหกอย่างทางทั้งที่ตัวของเรามีแล้วแต่เราไม่ได้สนใจ จงเรามีทุกคนใช่ทุกวันยืนเดินนั่งนอนใช่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เรื่องรู้เท่าข้งมันก็เลยซัดฝนบนเปรกไม่ทราบว่าอะไรเป็นอาญตธนาอะไรเป็นขันเแืะอะไไม่ใช่อาญตธนาอายตธน า, า, นาแปลว่าบอกติดหรือว่าเครื่องติดต่อ สื่อสำคัญตัองอ้งแต่ติดต่อกันท่านจะเรียกอะไรจะสามารถคําว่าสื่อสำคัญในเครื่องติดต่อนั้นเช่นตา ร, รูปไม่มีในตาของคนแต่คนจงออกไปดูภายนอกรูปถายนอกเรียกว่ารูปมีกระทบกับตาที่เขากระร่งเขาว่าแสงกระท้อน รูปมันน่ะมันจะทอนเข้ามาหาตาเจึนค่อยตายจึงค่อหนหด ต, ตาเนี่ยมันส่งออกไปไปหารูปเรียกว่มันสําคัญเกี่ยวข้อง ก, กันเลื่อนติดต่ อ, อ ก, กันจึง เ, เรียกว่าสืสัมพันธ์ถ้าตาไม่มีรูปก็ไม่ปรากฏทิศตารูปมีก็มีประโยชน์นึกตานี้ไม่มีรูปก็ไม่มีประโยชน์ ตาเรียกว่ายจตนาภายในรูปเรียกว่ายจตนาภายนอกมีเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาเพราะลื่นตาจึงแต่เห็นเลยไม่เห็นสิ่งไหนก็ต้องเห็นสิ่งนั้นก็รักกดขึ้นมาแต่คนเรานั้นเข้าใจว่ารูปอยู่ที่ตาความเป็นจริงไม่ใช่มันอยู่ภายนอก นอกจากตาขงเราไปกันยังเรียกว่าอ้ายชนะสายนอกที่เราเรียกว่าอ้ายชนะนั้นแปลว่าบ่อปวดคือมนเป็นบ่อให้ปวดรูปลูกจะไปเกิดที่หูไม่ได้รูปกจะไปปากรที่หูก็ไม่ได้จะปากรที่จมูกที่ไี่กายไม่ได้ลูกปากรได้เฉพาะตาอย่างเดียว เรียกว่าอายุชนน์เพราะเป็นใหญ่ในการดูก็เรียกไม่ใช่เป็นใหญ่ในการฟังหน้าที่ของมันเพียงใช่ว่าได้ดูเห็นไม่ใช่ไปฟังแทนมันจะเรียกว่าอายตชนน์แปลว่าบอกเกิดกดถูกอายุนน์แปลว่าเป็นใหญ่กดถูกอายตชนน์แปลว่าของรู้พูดง่ายๆเรื่าสื่อสัมพันธ์กับรูปก็ได้ อายจนหน้าจึงเป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในแวดเยาว์วาตนตัวคนเราคนไม่มีตาได้อย่างเดียวขาดประโยชน์ไปเยอะจะดูสิ่งไหสิ่งไหนไม่ได้นั่นแหละให้คนอื่นดูแค่ก็ไม่ได้ให้ดูแคงก็ไม่ได้เลยตาจึงเป็นทรับอันประโสถียอันหนึ่ง ซึ่งเกิดมาพร้อมกับตัวคนเราเกิดสมาก็เป็นว่าได้กันมาเลยหาค่าไม่ได้ทรัพนั้นสิ่งของภายนอกที่จะหามาได้เดินมากใช่มหเอาตาเนี่ะไปทรายแสเอหามาถ้าไม่มีตาเรียกว่าเป็นคนวี ก, การจะแสรงหาทรัพย์สินภายนอกก็ไม่สะดวก นี่าเป็นบอเกิดแห่งสักนอกจากนั้นอีกเป็นบอ่อเกิกของบุญของกุศลตาใก้เห็นพระพุทธรูปปฏิมากรเกิดภาษาทศช า, า, าริ่มใส่พระตาเห็นก่อนเห็นพระพุธรเจ้าเขาทพระสงฆ์ไม่เห็นแล้วแตเห็นครูบาอาจารย์กับพระตา่อคนเห็นก่อนอยักขวัตขวาวาไปจักราบเชากาบไหวพระพุทธรูปปฏิมากร ก็เพราะตาเป็นคนเห็นก่อนนำไปตาทำประโยชน์ในท่วงขวงทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเพราะตาเราเห็นวัตถุสิ่งของอันใดซึ่งเป็นทายนทานคนที่จะทำบุญทํททานณเห็นแล้วก็เกิดทวมเรื่องใจและเกิดเห็นแล้วก็อยากจะได้ทำบุญทำทานตาเป็นของมีคุณค่ามหาศาล สร้างโลกคือทำบ้านทำเรือปลูกฝังกิจกรรมทิ่ก่อนอาศัยตาเป็นพื้นตาเป็นเห็นรูปทุกสิ่งทุกการเราต้องการอยากจะชมช่วยสิ่งที่สกผลไ ม, นม้น้ำให้เพลินให้เกิดควลิ น, นจเจริญใจกระดตาเป็นบอกเกิดของการปุศลการทำทานและสาธิตตอาศัยตา อย่างอธิบายมาแล้วตาสามารถจะทำให้คนเป็นคนดีขึ้นโดยลำดับอย่างที่เ็าเรียกว่าัณนศึกษาเห็นตัว อ, อย่างอันดีงามแล้วล้วก็ทำตามนี่ว่าต า, าให้คนดีทำให้คนดีได้พูดในสิ่งที่มันดีเหลือที่จะขนานานะถ้าหาพูด สิ่งที่ตรงนั้นขามคือสิ่งที่ไม่ดีตาโดนไฟร่ายกาดตาไปเห็นรูปสิ่งใดตาไปเห็นรูปผูรูปคนก็ดีไปเกลียดไปโกรธเกิดคนเกลียดแค้งขึงนมาเพราะเห็นเขาอ น, นี้มาทำอะไรไปเกลียดไปโกรธเขาเจโงเลเกลียดโกรเกียดใจเข้าไป แสงอกแสงใจอยู่ภายในใจตานั้นทาให้เกิดนรกได้ทันทีทันใดตาถ้าไปเห็นรูปสิ่งใดถ้าชอบรักต่อใจติดมันในสิ่งนั้นชอบใจในสิ่งนั้นทําให้ใจมึนเมาหลงละโล่ปวดโผล่ชอบรักอยากได้มาเป็นของตนติดใจใยฝันอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าที่เละเกิดจากตา ตาเป็นภัยใหญ่โตหัวาดตานั้นถ้าหาก็ไปเห็นสิ่งใดแล้วถ้าชอบเอาชอบใจติดออติดใจจะทำคุณงามคมดีก็ทำได้ยากยิ่งผู้ผู้ขั ด, ดพอ่อนาทำสมาธิติดใจไม่ลงเพราะติดใจฝักไยปักใยในสามรูกที่เคยเห็นอยู่นั่นแล้วมาติดมุวติดายตลอดกาลเวลา เป็นภัยใหญ่ใหโตเหมือนกันตาเนี่ยทาให้เกิอดนรมณได้ทันทีทันใดตานั่ยถ้าหาว่าไปเห็นสิ่งใดถ้าหากคนชอบใจเป็นวัตถุเข้าของเงินทองเกิดความต้องการและปรารถนาจ้องมองหรือแต่คอยที่จะลักสโมยของเขาคนตาบอดเขาไม่เคยเป็นลักขโมยของเขา คนตาดีๆมันย่อมไปรักตอการคืนทึกดืดดัมก็ไปได้ต้าใสตาตาจินในีิว่าเป็นภัยรายกาจอันหนึ่งเหมือนกันวควมๆแล้วว่าตานั่นะสร้างความดีก็ดีเรื้อหลงสร้างความขั่วกว็ขั่ ว, วเรือประมาณสามารถเกิดทำให้เกิดนรกเลิศสวรรค์ขึ้นได้ทันทีทันใด คุณที่เจ้าต้องยึดฝันในสังรวมตาชังรวมหูสังรวมจมูกสังรวมรีดกายสังรวมใจแต่นี้ว่าสังรวมตาโดยเฉพาะคำว่าสัรวมในที่นี้นั้นไม่ได้หมายว่าหลับตาไม่ดูเฉยเลยให้ดูโน้มกันตาดูโนกัน แต่ให้รู้จักสังวรซ้ำรวมดูจิ่งใดอย่าไปให้เกิดความพอใจรักไข้ติดกบจิดใจเช่นไปเห็นรูปคู่รูปคนเกิดความรักสวยสดงดงามอยากได้อันนี้เรียกว่าตาเป็นบาปกไฎีเจ้าจาให้สังวรซ้ำรวมถึงเห็นแล้วนั่นให้พิจารณาเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตา ลูปเกิดขึ้นมามันแตกสร้ายดับศูนย์ลูกเกิดลูปมันเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแก่เท่าชั้นรุดทุกข์โศลูกของคนคือเป็นของปฏิกูลโสมกทังนั้นพรียนณาเห็นอุปายปฏิกูลนี้เป็นของไม่เทีย่ยเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตา้าเห็นใจจริงจะไม่ไปติดคนเราถ้าเห็นตล อ, อดทอดฟังอย่างนี้แล้วจะไม่ติดในรูป แค่ไม่ชอบใจในรูปหรือไม่อยากได้รูปนะเราเป็นของตนเพราะตนเองก็เป็นที่แล้วตัวของเราแต่ละคนนะ่ะเป็รูปไม่รูปขึ้นมานะั่นเป็นของปฏิกูลอสุภะอยู่ในตัวของเราตลอดกาลเวลาตัวเราได้แก่เฒ่าชราช้ําซึ้งโทรมทุกวันตัวของเราในกองทุกข์ทั้งของมี้ตาต่าอทุกข์ ก็จะต้องเจ็บหูเจ็บตาไม่หูก็จะส่องได้ยินสิ่งต่างสิ่งที่ชอบก็จะได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบก็ก็ได้ยินสิ่งที่ชอบก็ทําให้ใจรักจิตเพอใจชอบใจสิจ่งที่ไม่ชอบก็ทําให้เบื่อลาคาญเกลียดโกรธจะหูยิ่งแล้วเน้นก็ต้องดมหอมก็ต้องดมไม่ดมไม่ได้จะไปฟุตจมูกไว้ไม่ให้นิลมให้ใจก็ออกตาย อันจริงที่เราสูดเข้าไปน่ะมีทั้งเหม็นทั้งหอมคั้นเมื่อเหม็นน่ะก็ไมาชอบหอมอมันก็พอยใจนันก็ดีในความทุกข์รีบก็เหมือนกันรับรสอาหารสิ่งที่เราชอบก็ปลอยใจไม่ชอบก็ไม่ปอยใจกายก็เหมือนกันเราได้ตัวนี่แหละจะต้องกระทบสิ่งเย็นร้อนอ่อนแข็ง หนะาวแลไม่พอใจแต่ก็จะต้องกระทบก้นหาวไม่พอใจแต่ก็จต้องกระทบกายเพราะมีกายกายมันสนับรับความเย็นร้อนอ่บแฝงใครไม่ชอบแต่จาเป็นต้องได้กระทบจําเป็นก็ต้องได้สวยอันความที่เราไม่ชอบนั่นแหละแต่มันได้กระทบแล้วได้สวยนั่นะคือมันเป็นทุกข์มี เ, เรื่องของทุกข์ของกายคนเอาแต่ละคนเรียก ว, ว่าเด็ก้อนทุกแต่ละคนแต่ละก้อน แค่เมื่อเราเห็นก่อนของเราเป็นก่อนทุกข์แล้วก้อนอื่นมันก็ทุกเหมือนกันเราจะมาทําให้ก่อนอื่นมันก็ทุกเหมือนกันกับเราคนเกิดขึ้นมาหนึ่งรัวตัวงเราแต่ละคนนั้นเป็นก้อนทุกข์แต่ละคนนะถ้าก็มีผัวหรือมีเมียเกิดขึ้นมาได้ขึ้นมาเป็นสองสมัยสองก้อนก็สองก้อนทุกข์ก่อนลูกเกมาสามก้อนล้างเกิดมาเจ็ดก้อนหาก้อนกตกลงรถบ้านของเราทั้งบ้านเน่ะมีแต่กองทุกข์เป็นกองเป็นกอง นอนกองม่อยู่ในบ้านของเราผู้ที่จ้านาหเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่หลงระหมัวเมาในรูปจะไม่ติดผัวพันในรูปพิจารณานี่ยท่านตั้มรวมระหวงังคือพิจารณาไม่ให้เห็นเป็นสิ่งที่าาเพกิดเกินเจริญใจและติดรักไข่พอใจเียกออกจากมรวมคนไม่จำลองคือปล่อยตามอารมณ์เพกิดเกินพอใจยินดี ล, ล้มเบาๆตามอารมณ์เรียวกว่าปล่อยอันนี้บบการการปล่อยเป็นเหตุใน ห, หยืดยางเป็นเหตุในเดินทางไกลมันนี้ที่สิ้นที่สุดนุดคนเรายาังเย็นวายตาเสือกมันเดินทางไกลไม่ได้ย้อนเข้ามาภายในตัวพิญาณทั้งตัวของเราในพูดเฉพาะาเรื่องตาอย่างเดียวมันก่วงขวางและวเกิน อันนี้คนเรานั่นถ้ามีตาแล้วก็เข้าใจว่าตานั่นเป็นไผ่เป็นอัจฉรายะได้อธิบายมาแล้วถ้าพูดเข้าไปไม่คือเขาในในเข้าไปตรงนั้นดีตาไม่ใช่เป็นไผ่ลูกก็ไม่ใช่เป็นไัยอันนี้พูดดิเงี่ยหนึ่งเพื่อตาสําหรับดูต้นของดีแล้วถ้า ม, มีตาก็ลำบากไมได่ดูอะไรทั้งหมดพูดแล้วไว้ของดีแล้วสำหรับตาให้ไว้ให้ตาดู ถ้ามันมรูปวไว้จะดูไว้ตาเขามีไว้ถนัดเป็นคู่กันเนี่ยธรรมาชาติเกิดกันมาแต่งกันมาตาถนัดไว้ให้ดูรูปแล้วเราตั้งหากไม่พอใจในเมื่อเห็นรูปหรือพอใจในเมื่อเห็นรูปเพราะเราต่างหากรูปก็มีอยู่ตากระพร้าวของมันตาก็มีอยู่ตากระภร้าวของมันตั้งหนาไปใช้พรอตาได้กระทบกับรูป กรปลากรดขึ้นมาจิตตารูกปลากรดเห็นขึนมาจิตาเมื่อเห็นแล้วคราวนี้ก็จำเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็เห็นก็เกิดความรู้สึกว่าเราเห็นพอรู้สึกแล้วก็จําว่ารูปอานั้นรูปอ น, นี้เช่นเห็นรูปคนนรูปตักเห็นรูปคนก็ว่าคนสวยคนงามน่ารักน่าชอบใจ ค่อยเห็นนะจานะจาํามว่าลูกคนว่าสวยว่าสดงดงามว่าชอบอกอกใจจะได้เห็นรูปตั๊กลูกเสือขานนี่รู้ว่าเกลียดแล้วก็ไม่พอใจในการเห็นครั้งแรกนั้นค่อยเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาครั้งแรกทันั้นท่านเรียกว่าวิญญาณจามว่าคนเรียกว่าสัญญา จำว่าเสือก็เรียกว่าสัญญาคือเราเคยได้ยินเขาว่าสัวเป็นอย่างไรนั้นเราจำได้ที่เคยเห็นมาแล้วว่า น, นั่นเป็นเสวการจำนั้นเรียกว่าสัญญาอันนี้การเกิดความพอใจรักใครอยากได้รูปอันนั้นเรียกว่าสังขารพื่อเห็นว่าของสองตัวสดงดงามอยากไกล้ไอ้สองตัวสดงดงามเรียกว่าสังขาร น, นี่เห็นเสือกลัว มันจะกัดมันจะมากัดเรามันจะมาจะคุบเราอันนี้เรียกว่าสังขารมันปรุงมันแต่งขึ้นมาแค่ที่จริงนั่เสือไม่ได้มากัดมาคุอจะคุบเราแค่ที่จริงน่ะคนเราเน่ะรูปใครก็ตามเถอะรูปใครใครทั้งหมดมันจะสวยหรือไม่สวยมันก็นึกขึ้นได้กี่ร่างมันก็เป็นเรื่องสภาพของบุญกรรมที่ตกแต่งมาไว้ไม่ใช่มาดึงเราเข้าไปรักไปเอพหรือให้เราไปเกลียดหรือโกมันเป็นเรื่องของ สังขารมันเป็นเรื่องของจำป ร, รุงแต่ง้ามเป็นสภาพยอย่างนั้นอยู่ตามเดิม อ, อันนี้เราได้แต่งหรอมาเป็นของสวยสดงดงามหรือว่าเกลียดเกิดไม่พอใจกลัวอะไรต่างๆอธิบายมั น, นั้นอันนี้เรียกว่าสังขารท่า น, น, นี้ถ้าหากอยากได้เฉยชยานอยากมาเป็นของตนหรือว่ากลัวเกลียดยหนเสือเนี่ยกลัวเกลียดไม่อยากพบอยากเจอเรียกว่าสังขาร ปั้ญหาดิจังหาจังเป็นเหตุนี่คือกิเลสถ้าหาก็เราทะเยอทะยานดิน้นรนถึขนาดนั้นแล้วอยากไดก็ดัวนีไม่พอใจตัดีต้องกุ้นใจเลยกัน น, ะะนั่นแหละเรียกว่าสัญหาเป็นตัวกิเลถ้าเชงเจนเห็นที่เคย น, นั่นเนื้อมั้งเกิดกิเลสแล้ว ร, รู้ว่าที่เคยแตังมาถูกริรลสกอว่าจัมพัสรูปก็ไม่ใช่กิเลตาก็ไม่ใช่กิเล น้ำพัด ก, กระทบของเขาเกิดความรู้สึกก็ไม่ใช่กิเลสถ้าหากไว้ปรุงเพแต่งขึ้นว่าสิ่นั้นแต่ น, นั้นสี่งนี้เียง น, นี้ได้อธิบายมาแล้วอันนั้นเริ่มกิเลสจะเกิดขึ้นมาแล้วนี่นเกิดความอยากได้หรือทะเยอะทะยานได้โน้อนอยากได้อย่างมาเป็นของตนของตัวหรือว่ากลัวอยากวิ่งหนีอันนั้นอันนั้นเป็นกิเลสแท้ทีเดียวที่เรียก ว, ว่าตันหากิเลสจะไม่ได้เกิดง่ายๆหรอก ขันต่างหากเราไปเข้าใจตาจริงเรื่องวิญญาณเรื่องจิตเรื่องอิน ญ, ญาณเรื่องรูปเรื่องตาไดา้อธิบายมานี้รูปก็ไม่ได้กิตซึ่ใส่กิเลตตาก็ไม่ใส่กิเลสอิน ญ, ญาณก็รู้สึกก็ไม่ใส่กิเลสัญญาณความจําก็ไม่ใส่กิเลตยังไม่ใส่เป็นกิเลสทั้งขาเริ่มกิเลสขึ้นมาเกิดตั้งห่าวปรานยึดมันเอะไะนั้นนหละกิเลสแท้ทีเดีย S <S <an> <S <S <an> เห็นนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้พากังจารวมให้ระวังํารวมตาหูจมูกหูกายใจคือให้พิจารณาตามสายนี่แหละพิจารณาตามแนวนี้แหละ <S <S <an> <S ถ้าเห็นเป็นจังหวะเป็นจังหวะจังหวะไปเห็นเป็นตอนเป็นตอนไปพิเศษจะไม่เกิดมันเป็นตามสภาพเข้ามาอยู่เช่นแล้วเ็าพยายามตามสภาพบางอย่างมันจะสบายไปอันนี้คนกลัวในเรื่องมัน นั่ไปเห็นในตอนนั้นที่มันทะเยทยานนี่มันกลัวอย่างกลัวสัวงี่กลัวเสือมันจะกัดตัวมันจะคุบแบบนี้แต่ไปเห็นในตอนนั้นตัวกิเตนั้น่ะเลยไม่อยากเห็นสืเรยแต่หมายวจะหมตัวกิเลสแต่ถิ่นริชชอบรักอยากได้คนนั้นคนนี้มันเป็นของเรางี้เลยตั้งแต่เบื้องต้นไปเห็นาปกิเลสจึงต้นลความจริงแม้านดิมกิเลสมันยังอยู่ในจากกิเลส อ้าเข้าใจอย่างนี้ลราสบายแก้จิตแก้ใจง่ายสิจะไม่ให้จิตโมโหเมาลุ่มหลงจะมีปัญญาพิจารณาได้เรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องาระคือนะอย่างนี้แหละคึอกรจัดต่ อ, อไปเ ป, อเป็นตอนเป็นตอนออกไปย่้งเาไปคุมครัวก็เข้าเป็นอันเดียวกันแค่ไป็นคุมครัวเป็นเดียวครับเเห็นเข้าก็เลยเข้าใจพิจิเตรทั้งหมดตัวใหญ่ตัวโต คนโบราณท่านสอนกันอาจารย์ น, นั่นสอนในสมัยก่อนสอนใระสังรวมจะเคยเห็นในคนโบราณสมัยก่อนถ้าที่ถือแข่งที่สุดเข้าบ้านเข้าช่องไปไหนะเห็นผู้หญิงยิ่งเดือยเห็นผู้ชายก็ตามเด้อไม่ต้องมองหน้าเอาประปัดกันหน้าไว้กันไว้ไม่ผิดทั้งรวมกั้อย่างนะั้นไม่ไหวแย่ yeah, ทีเดียว แล้วเขาแบบนี้ลำคาญก็เกิดแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้อระบัดกั้งมาไปแล้วจะมองคนไม่ได้มองคนในกายเป็นใครเป็นอันตรายไปทั้งหมดไม่ไหวถ้าที่จะน้าอย่างว่านี้แล้วนั้นทั้งรวมอย่างว่าเนี้สบายนอกจากจะป้องกันอันตรายรจิตใจให้เกิดคนมึนหมองมึนมองแล้วงั้นจะใหเกิดดูปายปัญญาลึกซึ้งละเอียดโดยล ั้งแก๊กขี้เล็กอกได้อย่างนี้ที่สุดเพราะตาเห็นได้เท่านี้แหละมันจะวิ่งเข้าไปตรวดอ่า น, น, นเลตามแนวอย่างอธิบายนี้เลยเมื่อได้ยิน้มหมูกถูกจีนจะวิ่งเข้าไปตรวดตามแนวที่ว่านั้นก็เลยให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมีอธิบายที่เรื่องอายตนะแค่อธิบายมาที่เรื่องนายตนะจําไว้อายสนะไปเอาบอกกรวด เงบ่ อ, บอเกิดลูกบอ่อเกิดเขียนจินตโพตปะอย่างตาเห็นลูกอย่างเงี้ยเจ้าหูก็เห็นแทงกันไม่ได้มันเป็นบอ่อเกิดลูกที่ตาเนี่ยจะเรียกว่าอายนาตนะแปลว่าเป็นใหญ่คือมีหน้าที่รัชบชิดเจ้คนเดียวถึงานั้นเห็นอย่างเดียวถ้าเห็นลูกเท่านั้นอ่ะไม่รับพไปชอบทางอื่นเลยเรียกว่าเรียกว่าอายตนะ ในพูด ง, ง่ายเลยว่าอายตระเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกี่ยวนอกเนื่องถึงเรื่องอายสระภายนอกตาเซียสรภายในพระภายในไม่มีรูปหมูก็ไม่มีลูกจมูก็ไม่มีกลิ่นเลี้ยก็ไม่มีรสมันต้องเอาไว้จากภายนอกกายก็ไม่มีสัมผัสเอามาอันภายนอกมาสัมผัสเช่นเย็นน้อยน้องแขงมาจากภายนอกมันไม่ใช่เกิดกิจการมนั่นฉันจะเรีย ว, วาอยายตระภายนอก อันนี้เรียกาอายุรนาภายในให้พากันจําเรื่องเรื่องอายุรนาส่วนที่มีเยนตัวของเราแล้วก็ที่นาตนเดินในี่ว่ามนี่ยจึงจะได้ความรู้จึงจะได้ความฉลาดขึ้นมาในทางธรรมะแล้วเราจะปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องไม่ที่จะเป็นเครื่องชำนาญทีเด่นจิตใจในตนเอให้ผ่องใสสะอาด น, นี่อธิบายเรื่องเรื่องอายุรนเดียววันนี้